เสียงอ่านหนังสือฉลาดทางจิตงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีเสียงบรรเลงเป็นโนโดยตองพีความฉลาดขั้นสูงสุดผ่านบันไดฉลาดทางความคิดและฉลาดทางอารมณ์ไอคิช่วยให้เอาตัวรอดได้เป็นครั้งครั้งอีคิ ช่วยให้พาใจรอดได้เป็นคราวๆ SQ ช่วยให้รอดพ้นตลอดไปทั้งใจและตัวขั้นบันไดตามลำดับในการเพิ่ม IQ ที่ได้ผลจริงก่อนเสริม EQ อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อบรรลุถึงการเติมเต็ ม, ม SQ ขั้นสูงสุดเม <clap> ื่อเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อฉลาดทางจิต หลายคนอาจอยากเปิดข้ามไปอ่านเนื้อหาส่วนสุดท้ายที่เกี่ยวกับความฉลาดทางจิตทันทีข้อเท็จจริงคือจะฉลาดทางจิตได้ต้องมีบาดฐานสำคัญคือฉลาดทางความคิดและฉลาดทางอารมณ์ซะก่อนจึงจะต่อยอดได้จริงเพราะถ้าวิธีคิดอย่างฟุ้งซ่านวกวนก็คงมีความสุขความสงบทางอารมณ์ไม่ได้ และเมื่อมีความสุขสงบทางอารมณ์ไม่ได้ที่ไหนเราจะเกิดวิสัยทัศน์ทางจิตรู้เห็นทางจิตจนเข้าขั้นฉลาดทางจิตได้ไหวแต่ละคนมีความฉลาดทั้งทางความคิดทางอารมณ์ตลอดจนทางจิตกันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยเพราะว่าจะแยกไม่ออกและพัฒนาต่อไม่ได้เพราะที่ผ่านมามีแต่การสำรวจอย่างเข้มข้น จริงดีชินเด่นกันในระดับฉลาดทางความคิดกันไปหมดที่อยากเอาดีเอาฉลาดทางอารมณ์อย่างน้อยนักและยิ่งฉลาดทางจิตด้วยแล้วก็แทบจะถือเป็นนิมิตความฉลาดที่ตกสำรวจหรือไม่มีทิศทางให้เอ่ยถึงกันเลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้ออกแบบมาให้อ่านแล้วรู้สึกฉลาดขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในแง่ของการทะลวงจุดบอดที่แต่ละคนติดอยู่ เมื่ออ่านตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะได้ข้อสรุปว่าถ้าไม่ฉลาดทางจิตก็เหมือนเอาตัวรอดไม่ได้จริงทั้งในระยะสั้นที่มองเห็นด้วยตาเปล่ากับทั้งในระยะยาวที่ต้องรู้ได้ด้วยจิตสถานเดียวลงชื่อดังตรินธันวาคมพุทธศักราช2557 iq คือระดับชาวปัญญาจีวัดว่าคุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ช้าเร็วเพียงใดตลอดจนเก็บเกี่ยวความรู้ได้ในเวลาสั้นยาวแค่ไหนการมีไอสูงช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้เผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยต้องมีข้อแม้ว่ากำลังมีอารมณ์อยากเผชิญ EQ คือระดับชาวอารมณ์ ชีวัดว่าคุณเป็นฝ่ายควบคุมอารมณ์ได้ดีเพียงไหนหรือตกเป็นฝ่ายถูกอารมณ์คุมตัวได้ง่ายแค่ไหนการมีอีคิสูงช่วยให้คุณพาใจรอดได้เย็นพอจะไม่ถูกสถานการณ์เผาใจได้โดยต้องมีข้อแม้ด้วยว่ากำลังมีสติและสมาธิพอจะเป็นต้นทุนทางความเย็น s อสคิ คือระดับชาววิญญาณชี้วัดว่าคุณรู้เหตุแห่งความมืดและความสว่างเพียงใดรับรู้ความจริงตรงตามที่ปรากฏให้เห็นด้วยตาและใจขนาดไหนการมี SQ สูงสุดจึงช่วยให้คุณเอาตัวรอดจากปวงปัญหาตลอดจนพาใจผลต้นเหตุทุกได้ถาวรถ้าแก้ผมถูกจุดจริง ก็รอดแล้วรอดเลยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆอีกเพิ่มความกระตือรือร้นเท่ากับเพิ่มไอคิเสริมสติในการคุมอารมณ์เท่ากับเสริมอีคิเติมเต็มการเห็นแจ้งด้วยใจเท่ากับเติมเต็ม s อคิตอน ฉลาดทางความคิดความคิดที่ชันฉลาดอาจดูน่าอัศจรรย์ใจราวกับปาฏิหาริย์บรรดาเงินทองกองโตสร้างงานสร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่เหลือเชื่อราวกับมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในหัวแท้จริงแล้วปาฏิหาริย์ทางความคิดเกิดจากนิสัยช่างคิดอย่างมีเป้าหมายแจ่มชัดกระทั่งเป็นสมาธิหนักแน่น อยู่กับเป้าหมายที่เลือกก่อพลังแห่งเหตุผลได้แรงพอให้พุ่งเข้าเป้าได้สำเร็จเสมอแม้บางเป้าเหมือนเริ่มต้นจากวิมานในอากาศก็ตามที่คนเราคิดไม่ได้คิดไม่เป็นคิดผิดเห็นพลาดหรือกระทั่งชอบคิดอะไรโง่โงนั้นมันเกิดจากการไม่ชอบฝึกตั้งเป้าหมาย หรือไม่เคยฝึกสร้างเป้าหมายให้แจ่มชัดขึ้นมาในใจใจที่เห็นอะไรไม่แจ่มชัดคือใจที่ร่าเลือนพร้อมสัดสายฟุ้งซ่านไรทิศทางจะแปลกอะไรหากผลของความฟุ้งซ่านไรทิศทางคือการตัดสินใจทำอะไรที่โง่เขลาลงไปเสมอเสมอแค่คิดเลขเก่งยังไม่ครอบคลุมความฉลาดคิดไปทั้งหมด แต่ถ้าเล็งเป้าหมายเก่งเหมือนสำเร็จวิชาเห็นเป้าหมายแจ่มชัดด้วยใจได้แล้วก็ความฉลาดทุกชนิดรวมทั้งคิดเลขเก่งถือว่ารวมอยู่ในนั้นหมดแล้วดังนั้นสิ่งสําคัญสูงสุดอันเป็นปฐมบทที่จะช่วยให้คุณฉลาดทางความคิดคือใจที่มีความสามารถเห็นเป้าหมายท่องไว้ให้ขึ้นใจว่า การเล็งความคิดไปที่เป้าหมายคือนิมิตหมายของวิธีคิดอย่างฉลาดถ้าใจเล็งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตประจำวันขยันบอกตัวเองว่าจะทำภารกิจเล็กน้อยตรงหน้าให้เสร็จดีเสร็จเร็วไม่ปล่อยใจให้วอกแวกไปคิดเรื่องอื่นกระทั่งรู้สึกถึงความเข้มข้นของการตั้งใจทำให้ดีทำให้เร็วคุณจะรู้สึกว่า ตัวเองโฟกัสกับเป้าหมายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้แบบเป็นไปเองและถึงจุดหนึ่งอาจพบเป้าหมายสูงสุดในชีวิตง่ายๆโดยไม่ต้องเฟ้นหาแทบพลิกแผ่นดินเหมือนคนทั่วไปที่พากันปล่อยใจตามลมเรื่อยเปื่อยได้ทั้งวันชีวิตจริงๆของคุณเริ่มต้นด้วยการเห็นเป้าหมายชีวิตดีๆของคุณ เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายถูกตั้งเป้าเท่ากับตั้งทิศให้คิดฉลาดบิลเกตตั้งเป้าเปลี่ยนโลกเป้าหมายของคนคนเดียวที่เมื่อพุ่งชนได้สำเร็จผลลัพธ์คือการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนหลายพันล้าน เจ้าของวาทะคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเป็นโตะทำงานทุกตัวในบ้านทุกหลังคำพูดนี้ถ้าใครพูดก่อนปีกรกตสกราช1980ก็คงโดนหูร้อยย่อกเพราะสมัยนั้นแม้แต่บริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่อย่างไอบยังมองว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ใช้ยากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สมควรได้ใช้งาน บ Gates พูดคำนี้กับเพื่อนของเขาไว้ตั้งแต่ปีกรุตรักราร1977ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่แจ่มกระจางและกระชับมีพลังเพียงพอจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจริงๆโจทย์ของเขาคือทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ใช้ง่ายเพื่อให้ชาวบ้านร้านถิ่นทั่วไปมาใช้กันเยอะๆคำตอบที่ถูกคือต้องมีซอฟต์แวร์จัดการคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สั่งงานผ่านรูปภาพกราฟิกและนั่นก็คือที่มาของระบบปฏิบัติการซึ่งทุกวันนี้เรารู้จักกันในนาม Windows นั่นเองเลือกันในอินเทอร์เน็ตว่า IQ ของ Bill Gates สูงถึง160แต่บางกระแสก็ว่าถ้าดูจากผลสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยายลัยฮาวาดของเขาแล้วระดับ IQ น่าจะไม่เกินร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบเท่านั้นแต่จะเถียงกันอย่างไรคงไม่สำคัญกว่าที่ว่าเขาฉลาดขนาดเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้คนได้ทั่วโลกจึงสมควรนับว่าฉลาดระดับโลกได้ไม่เก้อเขินเป็นแน่ที่สำคัญกว่าอะไรอื่นคือหลังจากมีเงินมากกว่าใครในโลกเขาตั้งเป้าจะเอาความฉลาดระดับโลกของตน ไปใช้ในการกําจัดโรคภัยร้ายแรงในหมู่คละโลกที่ยากจนแค่ตรงเนี้ยก็ถือว่าความฉลาดของเขาประเสริฐระดับโลกยังไม่ต้องสงสัยแล้ว